เมื่อผ่านเข้ามาสู่ภูมิอันเป็นทลิปเช่นภูมิของเรานี้เป็นต้นโดยนยะตรงกันข้ามบุคคลบางคนเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์ดูหน้าฉากก็เป็นเสมือนผู้มีจิตใจประเนียอย่างยิ่งแต่หลังฉากเป็นผู้สกปรกสมมมอย่างยิ่งก็มีบุคคลเช่นนั้นภายนอกอาจเป็นผู้มีตำแหน่งยศสักปรากฏเสมือนหนึ่งเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยแท้จริง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 มักจะบ่นคร่ำครวญอยู่เสมอว่าเขาไม่ได้ทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดเดือดร้อนแต่ประการใดเลยเหตุชไหนจึงต้องได้รับผลอันไม่น่าพึงพอใจเห็นป่านนี้เขาลืมไปเสียสนิทว่าแม้เขาจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นจัตรูแก่ผู้อื่นก็จริงแต่ก็ได้กระทำตนเป็นจัตรูของตนเองโดยแท้เท่าที่ได้บรรยายมาตั้งแต่ต้นนี้จะเห็นได้ว่า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 จะทำให้รูปกายทิพย์นั้นสดใสแลดูเป็นหนุ่มสาวยิ่งขึ้นในเมื่อการเวลาได้ล่วงไปโดยลำดับความสดชื่นร่าเริงและความสวยงามรอบด้านอันเป็นลักษณะของสุขติภูมิจะเป็นเครื่องลบร่องรอยแห่งความทุกข์ทรมานได้รอยแห่งความเศร้าหมองนานานประการที่สัตว์ผู้ประกอบกุศลกรรมเหล่านั้นอาจได้รับมาจากในโลกมนุษย์ให้หายไปได้เป็นอย่างดี บุคคลผู้ผ่านเข้ามาสู่สุกติภูมินั้นจะเป็นผู้อยู่ใน ว, วัยใดก็ตามก็จะต้องเปลี่ยนไปสู่วัยหนุ่มสาวเสมอเหมือนกันหมดทั้งสิน้นคือยิ่งอยู่นานก็ยิ่งจะหนุ่มหรือสาวขึ้นทุกทีสภาพในอบายภูมินอกจากจะเต็มไปด้วยภาพที่น่าขยาขแยงและสะพึงกลัวนานาประการแล้วก็ยังเราคนไปด้วยเสียงที่ฟังแล้ว ทำให้รู้สึกขนลุกขนพองอีกมีใช่น้อยเสียงเหล่านี้มีตั้งแต่เสียง ห, วหัวเราะแหบแบคล้ายกับเสียงหัวเราะของคนบ้าคลั่งไปจนถึงเสียงกรีดร้องหวยหวนของวิญญาณที่กำลังเสวยผลกรรมได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสสองสาครั้งเราได้พบกับนักบุญผู้อยู่ในสุคติภูมิชั้นสูงขึ้นไปแต่ได้พยายามลงมายังอวัยภูมิเช่นนี้ ด้วยความกรุณาหวังอนุเคราะห์วิญญาณที่กําลังเสวยกรรมอยู่ให้ได้รับความทุกขเบาบางลงบ้างเท่าที่จะพอกระทําได้เราได้ทักทายปราสายกันด้วยความดีใจอยู่ภาคหนึ่งในความมืดแห่งอบายภูมิเช่นนี้เราผู้มาจากสุขติภูมิยังสามารถเห็นกันและกันได้ดีแต่สําหรับผู้ที่กําลังเสวยผลกรรมอยู่หน้าที่นี้จะไม่สามารถเห็นเราได้เลย เพราะเรามีเครื่องคุ้มกันเป็นพิเศษอยู่แล้วก่อนที่จะเข้ามาในสถานที่เช่นนี้